بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على شرف ل و ل ن والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب ح س ا ن إلى الدين ثم هم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو ر و م ل ع و ن ي بنداء ر ُّ ه ن َ ة ا ل ْ م ن ْ ك ر ِ ا ل ر ا ل ا คนรุ่นก่อนเนี่ยล้วนเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนในสุรษยูสุภเนี่ย a l l a บอกว่าลก็ดกานะี่ข้สิ่บระโดยแน่นอนในเรื่องราวของพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นที่ Allah เล่าเรื่องมาเนี่ยเป็นอย่างรบระให้บระปาอุทาหรณ์แล้วทุกเรื่องที่ a ลล a าเล่าว่าในคุรานอย่างเช่นเรื่องที่ a l ล a h ได้ลงโทษ ชาวยูที่บิดพริวท่านนบิสซอลลอได้สั่งลงในคําสัญญามั่นที่มดีนะแล้วทำไมเราลงโทษพวกเขาให้ท่านนบิสซอลลอหัวเรือสลังขับไล่เขาออกจากเมืองมดีนะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์พราะเราเล่าเรื่องเขาเนี่ยละบอกว่าฟะตบิรุยาอูลิลอบบซารโอ้บรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลายพวกท่านพวกเจ้า จงได้มีอุทาหรณ์ได้มีบทเรียนจากเขาจากจากชาวยิและในเมื่อกุรอานส่วนใหญ่ของกุรอานเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าของประชาราชยุคกอ่อนโดยเฉพาะประชาราเที่เราได้ส่งนบีอัลลอฮ์สูลแล้วเขาฝ่าฝืน บ, นนนบรรณาณบีอลลอฮสุลฝ่าฝืน บ, นนนบรรณาณบีอลอสูลจึง จึงต้องถูกลงโทษส่วนมากเรื่องราวของกุรอ่านเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนนบีของเขาเพราะฉะนั้นคุรอ่านทั้งเล่มก็เป็นอุทาหรณ์คุรอ่านทั้งเล่มเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์เพราะมีเรื่องราวเหล่าเนี้เราก็จะสังเกตว่าสุสร่าแทบทุกสุร่าแทบทุกสุรา บางทีแม้ก็ะทั่งสุราสั้นๆว่าช้ำสุระตัวห้าอันนี้สั้นๆช่วงท้ายนี่ก็จะมีเรื่องกลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดานับีของเขาเหงอนกันแต่แต่สุรายาวๆนี่อันนี้แน่นอนเป็นแหล่งแหล่งเล่าเรื่องของกลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดานับีุราเูลต่างหากถึงขนาที่บางสุราเนี่ยอัลลอฮฺได้ประทานลงมาสุราทั้งสุรา ไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งช่วงนะไม่ได้ทยอยนะอย่างเช่นสุรยูทุ์ลงมาทั้งสุรร้อเลยรถเดียวสุรร้อทั้อานามนี่ะเสนออุลเมาอะไรท่านก็ถูกประทานทั้งสุรร้อเลยทั้งสุรร้อและในเมื่ออุตรานได้ได้ได้เป็นอุทา h a หอสําหรับผู้ศรัทธาในเรื่องว่าด้วย บทลงโทษของคนที่ปฏิเสธคําสั่งสอนของพระเจ้ามันก็เข้าเรื่องกับคําเหวียนคุรอ่านที่เป็นคําสอนของพระเจ้าเท่ากับว่าอัลลอฮ์เล่าทุกเรื่องของประชาชาติยุคก่อนที่เขาถูกลงโทษนะนะโอ้ที่กําลังอ่านกุรอ่านกันอยู่นี่นะอย่าลืมได้อุทาหรณอย่าลืมได้บทเรียน ว่าประช า, ชาติยุคก่อนเขาก็มีคำภีร์มีคําสั่งสอนมาจากข่าเหมือนกันนะมาจากกอรร์เหมือนกันนะแต่พวกเขาได้ปฏิเสธแต่อยู่ไหนละอยู่ไหนแล้วนะถูกลงโทษกันไปหมดเลยทุกเรื่องมันก็จะมีข้อเตือนในตัว <c oughs> และอุทหาหรณ์ของประชาชาติยุคก่อนก็จะเป็นอุทหาหรณ์สืบเนื่องจากเรื่องปฏิเสธคําสั่งสอนของศาสนา สส่วนมากแม้กระทั้งเรื่องด้านสังคมด้านมนุษย์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับคำสั่งสอนที่อัลลอ์ได้ใช้พวกเขาแล้วเขาฝ่าฝืนเส้นที่อัลลอ์ลงโทษกุ่ชนนบีลูตที่รักร่วมเพศเพราะอัลลอ์ห้ามเขาไม่ได้ทำบาปเฉพาะรักร่วมพศนะเขาก็เขาก็ตั้งภาคีด้วยแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อห้ามในศาสนา เพราะฉะนั้นจะมองว่าเอา้าก็ที่เขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์เรื่องรักรวมเพศเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องร ส, สนิยมเกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับพยายามดึงออกและนี่มักจะเป็นข้ออ้างของคนที่ฝ่าฝืนคําสั่งสอนของอัลลอฮ์ะจะพยายามที่จะให้ให้บาปของตัวเองเนี่ยถูกมองว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วจะไม่ชอบให้คนอื่นเนี่ยมองเขาเนี่ว่าเขากำลังทําบาป น้านศาสนาอเช่นคนที่กินดอกเบี้ยเงี้ยที่เขาเกียนมากที่สุดนี่นะจะมองเขาว่าเขาทําบาปไม่ใช่นี่มันเรื่องการเงินมันก็ดูหรูดูสวยนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องศาสนามปนเรื่องการเงินเอาแล้วก็ศาสนาไม่เกี่ยวกับการเงินใช่ไหมกลุ่มชนลาวีสวาย บ, บาปของเขาเนี่ยตั้งพาร์ีก่อนเหรอแล้วก็โกงจ้ะช่ง ا ل ك ع ب أ و م و ا ل ا م ت ا ل ل ي م ا ل د ي ن การลมาดของท่านนี่นะากท่านพักดีสวามีพักต่อรอต่อคำจังที่จะทำให้พวกเราทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สักการะไว้และกระทาปฏิบัติกระทาในทรัพย์สินของเราตามอัธยาศัยกระนั้นถ้าหมายถึงว่า ละหมาดก็ละหมาดไม่ว่าก็หมายถึงว่าเขาาไม่ไม่มีปัญหาเรื่องละหมาดนะแต่การละหมาดนี่จะทําให้เราเนี่ยไม่ทําชิริตหรอไม่มีพระเจ้าองค์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีพระเจ้าองค์หนึ่งเกีกับเรื่องนี้นะจะไม่มีเรื่องเรื่องที่เราเราเชื่อในในความขังของมันของของขังของมงคลนะละหมาดแต่ของมงคล อันนี้นี่เชือ้อเชือ้อมันเป็นเชือ้อคือเขาไม่ได้มองศาสนาเป็นก้อนเดียวเขามองศาสนาว่าเป็นเป็นภาคส่วนละหมาดก็ละหมาดไปสิเกี่ยวอะไรกับเรื่องเที่ยวกลนคืนละ่ะละหมาดเแล้ว เ, เองละหมาดก็ละหมาดไปสิแต่ฉันจะซื้อหวยแล้วทำไมจริงนะมีบางคนเนี่ยคิดเอาเองนะ ว่าการที่จะเข่งศาสนานี่มันไม่ขัดแต่บางครั้ที่เขาจะทำบาปอะไรบางอย่างที่เขามองว่ามันไม่น่าจะเอามาเกี่ยวกับเรื่องศาสนานส่วนมากนี่ความเข้าใจนี่แน่นอนมันมันก็คือมั่วนิ่มอ่ะมมั่วนิ่มคือในเมื่อรู้ว่าเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้ารือเป็นข้อห้ามของพระเจ้านี่มันก็ต้องเกี่ยวข้องสิมันก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวข้อง และอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้กลุมชนทุกกลุ่มชนได้ตระหนักว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل าทุกคำสั่งมันก็คือคำสั่งด้านศาสนาด้วยเหตุผลว่าศาสนานั่นนิยามเขาว่าศาสนานไม่ใช่ความเชื่อนี้ประเด็นนี้บ้านเรามันเป็นน่ยามน่ยามในประเทศไทย ศา ส, สนาคือความเชื่อเราก็เลยถูกแยกอย่างสิ้นเชิงเนี่ยระหว่างความเชื่อแล้วกั ก, การปฏิบัตินฉันั้นเชื่ออะไรอย่า ง, งัปฏิบัตินี่มันไม่เกี่ยวมุสลิมเราเนี่ก็อยู่ในสังคมที่มีคำนิยามศา ส, สนาแบบนี้มันก็ต้องซึมซับแน่นอนต้องมีไม่มากก็นหน่อยซึมซับ ละหมาดนะไปทําอุปราชไปทำฮัตนะแต่ทําชีริกได้ไปหาหมอดูได้ไปหาหมอดูได้บางทีก็กินเหล้าก็ได้เพราะนี่เป็นเป็นคำนิยามใหม่ของศาสนาและเรงนี้นี่ที่อัลลอฮ์ได้ได้เตือนบรรดามุนาฟิกีเนี่ยในสุรตะวันเนี่ย กีมาสตัมต้าของท่านนั้นจกี่เราอ่านในหนังสือธรมะทีเอ่านในหมังสือธรมะที่เราอ่านกนหนังสอธรรมะที่เราอวามในหนังสือธที่เรา่นในหนังสือธรร่าอ่านในหนังสือธรมะทีในสนังส่วนรรมะี่เราอ่าบในอธรรมะทีเราอาสอธม่่นในหนังสือธรที่เราอ่าธี่อ่านนอธ่าอหัสรมีายถึงวี่าัราสาหัม่่างสอรีอาสนนงสอี่าานมี่อัานในั เอาศาสนานี่ยมตีความให้มันสนองกิเลสสนองความสุขสนองความบันเทิงของตัวเองก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับอาหารการกินอะไรที่มันมีข้อห้ามก็จะพยายามที่จะตีความใหม่จะได้เลี่ยงข้อห้ามอย่างเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแม้กระทั่งในยุคในยุคศาสนาอสิสลามเนหลังจากที่ท่านนบีสุลตาร์เสด็เสด็ชีวิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีสิ่งที่ที่มีสารที่ทําให้มึนเมาถ้าอยากจะดื่มละ่ะดื่มเฉพาะเครื่องดื่มที่ทําให้มึนเมา แต่ถ้าดืม่มเครื่องดืม่มถึงจะมีส่วนหนึ่งของน้ำน้ำเมาใน น, นนั้นนะ่ะนะแต่มันไม่ทําให้มึนเมาเนี่ยย่อมดื่มได้ซึ่งเปนทัศนะที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่หนึ่งมีรายงานว่าอบูฮานิฟานเนี่ยได้สนับสนุนทศนานี้แต่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นผู้รู้คนอื่นที่ประเทศอิรักในศตวรรษแรกๆกันนะ ซึ่งเขามองว่าเพราะคนอิรักนี่ยเขาห่างไกลจากมดีนนะสายไดงานฮะดีษเขาจะน้อยกว่าอุลามาในมักกละลามดีนนะฉะนั้นเขาจะตีความหุ่กมต่างๆเนี่ยมักจะอาศัยกุตตานอย่างเดียวเขาก็บพบในกุตตานนี่ข้อห้ามนี่เกี่ยวกับคอมารคอมารนี่ก็คือน้ำเมาคือตัวน้ำที่ทาให้เราเมา แต่ถ้ามีน้ำดื่มแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ไม่เมาอ่าดียวจะดีะตัวอย่างดื่มแล้วเนี่ไม่เมาถึงแมว้ว่ามันมีส่วนน้าเมาอยู่ในนั้นนะ น, นะถ้าแบบนั้นน่ะมันไม่บาปถ้าเทียบในปัจจุบันก็เทียบระหว่างเบียร์กับเหล้าเบียร์กับเหล้าเหล้าถ้าขวดหนึง่งเมาแน่เบียร์ขวดหนึง่งส่วนมากนะ ส่วนมา ก, ก น, นะเขาไม่เมากันนอกจา ก, กว่าคนใหม่ประสบการณ์ก็อาจจะเส็ดมันนะขวดหนึ่งก็อาจจะเส็ดเหมือนกันแต่ส่วนมากนี่เอ้ยเบียรกขวดเดียวนี่ชิวๆเล่นๆอันนี้อันนี้แค่เริ่มต้นมีไหมที่เขาซื้อเบียรเบียร์ขวดเดียวมีมะ อันนี้ไม่ไม่ไม่ไนะม่ไม่ชั่าเคยดืมเบียร์นะมาที่ผมพูดในวันนี้เ ว, Wherever, ว, วลาไปร้านพวกเนี่ยสะดวกซื้อนะผมไม่เคยเห็นเขาเขาหิ้วขวดเดียวนะเขาส่วนมากก็จะหิ้วทั้งแพ็คไงทั้งทั้ ง, เ อ, ง, งเออเป็นเป็นโหลอะแพ็คเป็นหลเป็นเป็นโหลเลยกระสนาเขาไม่ได้ดื่มขวดเดียวนี่เบียร์ไม่ดื่มขวดเดียวทําไมอ่ะเพราะขวดเดียวนี่มันไม่ทําให้มึนเมา แต่ผมไม่รู้นะว่าเออไอคนที่ดืม่มดื่มเบียร์ขวดเดียวเนี่ยถ้าถ้าเขาเป่าเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่ามีใครมีประสบการณ์มหมหรือมีข้อมูลมหมเป่าเป่าแล้วมันขึ้นมะเออไม่รู้กันว่าคุณกินกาแฟใช่ไหมส่วนมากกิกาแฟทั้งนั้นดีข้อห้ามนะในฮันนิสเนี่มีแต่นั่นงจากว่านี่อุลมามะที่รักเนี่ยเขาไม่มีตัวบทฮันนิสนี้ ตัวบทฐานิสิยกว่าถ้าส่วนมากของมันนี่มันทำให้เมานะส่วนน้อย น, นี่ก็บาปเหมือนกันเขาก็เลยได้หูกลัวว่าเอ้าแสดงว่ า, า, วาถ้าจำนวนหนึ่งที่มันไม่ทำให้เมานะีนมัน ก, มนก็มันก็ไม่บาปแต่นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของของความผิดพลาดในเรื่องอาหารอของกินบริโภคนี่นะแต่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา เก่ข้องกับเรื่องศาสนาทัศนนี้เนี่ยที่ทำให้ชาวอิรักเนี่ยยุคนั้นนะ่ะขึ้นชื่อเลยถึงขนาดที่ภูมิภาคอื่นในรัฐอิสลามเนี่ยแล้วเขาจะเซลกันนะ่ะเขาจะเซลกันทุกภูมิภาคที่เขายึดในทัศนะที่มันอ่อนหลักฐาน น, นะนะ แต่ก่อนนั่นนืงน่งจากว่าตก่อนนีนเขาาจะแค่เรื่องศาสนาเขาไม่แค่์เราก็เรื่องสูงเตีย้ยผิวอะไรเนี่ยเ ข, เขาเขไม่ไม่แซวกันนะเขาเขาไม่ว่ากันหรอกแต่เขาโอ้ยชาวอิกกนาไงนะไอ้พวกที่กินไอ้ไอ้เหกนี่ก็คือก็คือมันไม่ใช่น้ำเมาแต่มันเป็นน้ำที่มีส่วนอโโแอลกอฮอล์ถ้าจะเทียบนะนะคือแต่ก่อนนู้นนะเขาจะหมักหมักผลไม้ใช่ไหมน้ำใส่ผลไม้แล้วก็หมักผลไม้ <c oughs> มันขึ้นอยู่ที่อากาศของภูมิภาคคือถ้าวันแรกเนี่ยพอผลหมักผลไม้นี่ในน้ำมานะมันก็ยังพอกินได้มันจะได้รสชาติสมมติว่าเอาเอ่อเอาเอามะดนี่ปอก่าแล้วก็ใส่ในน้ำอ่ะให้ผ่านสัก6กชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังมีแค่รสชาติของเงาะใช่ไหมแต่ลองหมักในอากาศบ้านเรานี่สัก3าวันนะยังไม่เป็นเหล้านะแต่มันจะเปรี้ยวมันเริ่มเปรี้ยว เนี่ยถ้าสมมุติว่าหมักเงาะในตุ่มในตุ่มน้ำํำมาในอ่างน้ำหรืออ่างทั้งอ่างเลยนะถ้ากินน้ําหมักเนี่ยที่หมักไว้สามวันที่มันเปรี้ยวแล้วนี่นะมันไม่เมาหรอกถ้ากินทั้งตุ่ ม, มนะมีสิทธิ์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศาสนานเกี่ยวกับศาสนาดิเพราะข้อข้อห้ามที่จะให้ดื่มทุกส่วนที่เป็นน้ําเมาอนีนะ้มันก็เป็นเรื่องของศาสนาเราก็ถือว่าทุกความผิดพลาดของผู้รู้ ในการวินิจฉัยและไม่คำนึงถึงห ล, หลักฐานและหลักการเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราการที่มนุษย์เนี่ยได้ทำให้ศาสนาถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการในการเสพสุขเพราะศาสนามันไม่สามารถยับยัง้งยับยั้งการทำความชั่ว เก่าคือความชั่วมันถูกกระทําด้วยข้ออ้างทางศาสนาเราจะเอาตัวอย่างที่มันชัดเจนนะนะกระเหริงบุรีเรื่องบุรีรอรลองคิดดูสิบุหรีเนี่ยถูกอ้างว่าสูบได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะฮาลาลอะไมร่รู้แล้วไมกรู้นี่แบว่าฮาลาละไม่ใช่ มกรูนี่แล้วมกรุนี่เป็นเป็นคำศัพท์ด้านบัญญัตินะถูกต้องป่ะมันไม่ใช่เป็นคำชื่นชมหรือคำตำหนิของชาวบ้านนะมกรุนี่มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับหลักการศาสนาเพราะถามว่าอาจารย์สูบบุหรี่ได้ไหมคำตอบฟังฟังและฟังแ ล, งลพิจารณานะอาจารย์บุหรี่สูบได้ไหมสูบได้มันแค่มักรู เขากดว่าข้ออ้างที่จะให้สูบนี่นะไม่ใช่ว่าเพราะมันฮาลานนะไม่ใช่เพราะมันมกรุก็แสดงว่าอ้างหลักหลักการศ ส, สนาจะได้เศษสิ่งที่มันสิ่งที่มันมันเป็นความสุขอะเราอยากได้อยากสุบุรีความสุขแต่สุดท้ายนี่ก็ดันอ้างหลักการที่ไม่ไม่เห็นชอบให้สูบ คือคำว่ามักรู้นี่นะไม่เห็นชอบไม่บังควรอันนี้ถ้าถ้าตามตามทศนั้นไม่เห็นชอบไม่บังควรมันน่ารังเกียจเพราะมัครูคกะริหามั ก, ร, ก ร, รู้น่าเกลียดแต่กลับเป็นข้ออ้างให้สูบให้สูบแล้วก็มีมีพัฒนาการด้วยนะ กลายเป็นข้ออ้างจะได้ตําหนิคนที่พูดว่าบุรีฮารามฮารามพูดได้ไงว่ารามันแค่มังกรู้ไอ้ตำหนิคนนี้บอกว่าฮารามมันเนี่ยโดยข้ออ้างว่ามันเป็นมังรเป็นไปได้ไงแต่นี่แหละว่ขุดตุมกันลยดีขอดูพวกเจ้านี่ก็ลุยไปในเรื่องเนี้ยลุยไปในเรื่องอะไรในเรื่องเสพสุขแสวงหาความสุขด้วยข้ออ้างทางศาสนา ด้วยสัดส่วนของศาสนาที่มันจะสนองความต้องการของตัวเองเพราะฉะ น, นั้นอุลามาส่วนมากเนี่ยหรือแทบเป็นเอกฉันแทบเป็นเอกฉันเขาบอกว่าอันครูโยมินอัลคีแลฟมุสตาฮับุความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนนี้บอกว่าฮ ARAM คนนี้บอกว่าฮ a l a l คนนี้บอกว่าฮ a l a l คนนี้บอกว่า HARAM คนนี้บอกว่าฮาลาลคนนี้บอกว่ามักรลวาเลมีขลาแบบนี้นะที่ดีที่สุดเนี่ยที่ชอบเป็นที่ชอบที่ที่สุดในหลักการศาสนาเนี่ยให้ยึดในทัศนะที่ดีที่สุดทัศนะหนึ่งบอกว่าฮา r a m ทัศนะหนึ่งบอกว่าฮาลาลยึดในทัศนะไหนฮ ARAM สิ ดีดหนึ่งว่านะเนี่ยพอฮ ARAM เนี่ยคือถ้าเราทําฮัลแลนี่นะถ้าเราอยู่ในสภาวะเสงว่าเราทําในสิ่งที่ฮ ARAM อ, อีกทัศนะหนึ่งเชน่นบุหรี่สิ่งที่แปลกนะว่าหลักการเนี่ยคุรู้จึงเป็นขั้นแรกวสิ่งที่ชอบเให้ให้ออกจากความขัดแย้งด้วยการยึดในทัศนะที่ดีด ท, ท, ดด ท, ที่สุดที่ดีที่สุดนี่คือทัศนะที่ปลอดภัยที่สุดอย่างเชน่นบุรี่ทัศนะหนึ่งบอกว่าฮ ARAM ทัศนะบอกว่ามักโร เอกฉันเลยนะดีที่สุดนี้ก็คือยึดในทศนะฐฮารอมพอถ้าเรายึดในทัศนะมักรู้และทำนะแสดงว่าเราได้ทําฮารอมในอีกทัศนัหนึ่งแต่ถ้าเรายึดในทัศนะที่ฮารอมแล้วไม่ทํานะแสดงว่าในทุกทศนัฐนี้เราปลอดภยัยไม่มีใครสามารถตําทำดได้อุลามากเกือบทั่งหุดเลยนะเขาบอกว่าถ้ามีความขัดแย้งอะไรเนี่ยดีที่สุดนี่นะเอาทศนะที่ปลอดภัยที่สุด เพราะอันนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยห่างออกจากข้อตําหนิว่าศาสนาจะกลายเป็นข้ออ้างในการแสวงแสวงหาความสุขตอบสนองกิเลสของตัวเองพออยากจะทำอะไรทำอะไรที่เราอยากได้แต่มันมันดูน่าเกลียดหรือมันอาจจะไม่มีหลักฐานอ้างองิงอย่างชัดเจน เราก็ไปหาทัศนะเขาสลบนี้ก็เลยบอกว่ามันจะตบประรุษะพูดได้ดีสวยงหาความขัดแย้งเพื่อหาทัศนะที่สนองข้ออลุมอลุยให้ตัวเองนะอิ تمع فيه ا ل ش ร ك ุลคนเหล่านั้นความเลวร้ายต่างๆนี่มันจะไปกระจุกอยู่ในตัวเขาก็แน่นอนในมัสอลนี้เนี่ย หาท่าศนะที่อลุมณ์อ่อนดยที่สุดที่ฮาลาลที่สุดนะนใะในมาซาลาอีกมาซาลหนึ่งคือเขาไม่ยึดมัสฮาบแล้วนะแล้วก็ไม่ยึดตัวลัตถุฐานไยแต่ยึดอะไรสิ่งที่ต้องการเฮ้ยอยากจะทําเรื่องนี้นี่หาดูดี่นี่แล้คนที่คนที่บังอาจมาถามผู้รู้อาจารย์พอดีมีเรื่องเนี่ยจะ่ปรึกษาหน่อยผมมีเร่องเงอาจารย์ หาดูซิมีทัศนะที่พอที่จะทำได้ไหมอยที่ผมบอกนี่เพรพราพรา พ, พ, พมีมีคนคนมาไม่นี่มีคนมา ม, ม, นมาพูดแบบนี้โอ้โหต้องอธิบายนี่ผู้รู้นี่เวลาได้ยินคำแบบนี้มันจี๊ดขนาดไหนนะมันเหมือนไปหาข้าราชการที่แบบบอสซ้อตรงมากบอกว่ า, วาเออท่านหาทางดีๆจะได้เราเลี่ยงกฎหมายได้ไหมกบบหระหมาือมา คนที่เขาเคารพกฎหมายแล้วก็บอกเขาว่าเออหาทางเลี่ยงกฎหมายได้ไหมความบังอาจที่มาถามผู้รู้แบบนี้ก็เท่ากับให้ผู้รู้เนี่ยทรยศ์กับเขาเนี่ยทรอยตหลักการจะได้สนองสนองกิเลียดของตัวเอ ง, ต, เองตัวเองต้องการอะไรก็ไปหาผู้รู้ผู้รูท้ที่ผู้รู้เลี่ยมๆหน่อยนะเออผู้รู้ที่แบบว่าชอบชอบหาเสียงกับชาวบ้านนะความพอใจจากชาวบ้านนะชาวบ้านต้องการอะไรเนะี่ยจะให้มา อันนี้เดีวจัดให้ไม่มีถึงอุลามะเขาบอกว่าเวลาไปถามผู้รู้เนี่ยความรู้อย่างเดียวไม่พอและนี่เป็นความเข้าใจข้นคลืนของคนหลายคโอ้โหนี่ผู้รู้นี่หุ่นพูดเก่งิล่ลูกความรู้ของเขาเนี่ยจัดๆๆดจัจัก็หลักทานไม่พอเพราะต้องหาอัลอาลัมอัลอาลัมและอูรหุ คนที่มีความรู้มากที่สุดแล้วคนที่มีวาระมากที่สุดคือคนที่มีตะกัามากที่สุดคนเน <Hi. S 2> <ๆ>ี่ยมเกรงมากที่สุดทำไมเ่ยเพราะคนท like right. ี <Why? S 1> mm ่เขามีความรู้เพราะบางทีเนี่ยหลักการนี่มันอาจจะมันอาจจะเข้าข้างหลักการอาจจะเข้าข้างผู้ถามแต่ผู้รู้นี่จะรู้นะว่าทัศนะนี่สําหรับเขานี่นะไม่ดีถ้าบอกทัศนะเนี่ยเขาเนี่ยเขานี่จะเสียหาย เขาก็จะเลือกทัศนาที่มันเหมาะสำหรับเขาหมอนี่บางทีนี่อาจจะเป็นทัศนาที่เข้มแข็งกว่าก็ได้สำหรับเขานึกว่าจะกลนนิดหนึ่งมันก็เลยยาวไปหน่อยสรุปแล้วนี่ในอายะที่69เก้านาะมาคุดตุมกันล้ี่เขดูคนรุ่นก่อนนี่มันก็จะเป็นอุทาหรณ์ที่เราได้เอามาเตือนพวกมุนาฟิกีนในยุคนั้นน่ะ พฤติกรรมของเข้าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็บทลงโทษก็เป็นอุทาหรณ์ในข้อที่เจ็ดสิบนี่นี่พอพูดแล้วนะลักษณะของมุนาฟิกินเป็นยังไงมรุนแบบมุนการิวันฮวนางมารุฟิฮกบิดูนไอเดียของนับสุลล่าฟานนี่ลักษณะของมันแล้วก็บอกว่าพวกมูนาฟิกนี่อัลลอฮฺจะสัญญาว่าเขาจะเข้านรกเป็นการลงโทษที่เหมาะสมสําหรับการกระทําของเขา เหมือนคนยุครุ่นก่อนที่เขาเคยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเอาเรื่องศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการของตัวเองจะอายุเจ็ดสิบนี้ยก็จะมายกตัวอย่างของกลุ่มชนรุ่นก่อนที่เขาถูกลงโทษแล้วรัชฐานนาวาตาหลานจะยกตัวอย่างกลุ่มชนที่เขามีชื่อเสียงในข้าบสมุทรอาหรับและอาหรับทุกคนเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่ากลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเขาเจออะไรกันมาเคยเป็นอารยธรรมที่ ที่รุ่งมากแล้วเขาเห็นตัวอย่างที่หลงเหลือจากอะไรทำของเขาที่เขาจะเดินทางระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างแล้วนี่มันยังคงอยู่ชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของกลุ่มชนรุ่นก่อนที่ถูกลงโทษอลอจึงบอกว่าและมีอธิ h นบว่าอุลละีนัมิงกอบลิ h i มิได้มาอยังพวกเขาดอกหรือ ซึ่งข่าวคราวของบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาก่อนหน้าพวกเขามีใครอะก็มีนูหินคือกลุ่มชนของนบีนูฮ์ว่าอาดินและกลุ่มชนอาดอาดนี่คือชืกุ่มชนว่าธมุดและกลุ่มชนของธมุดว่าก็มีอิบราฮีมและกลุ er, elite, elite, ่มชนของ อิบรอฮิมและ أصحاب มดิยนละชาวมดิยนและ ا ل م ฟิ ف าต ا ละชาว ا ل م ؤ ت ฟิ ك าตอี่คุณชินนบิลูตดูเจ้าที่เบื้องต้นมาเอตตุธุมรุสุลุธุมบด้วยนตดยที่บรรดา ر ซูลของพวกเขาได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาอัตถุมได้นำหลักฐานชัดแจ้งคำสั่งสอนคำภีศาสนาบัญญัติมาอย่างพวกเขา فما كان الله ليظلمهم شئ ولا َ ل ل ه نن أثام كأ พวก ه قهام أي ولكن كانوا أفسهم يظلمون แต่เท وة. กลุ่มชนแรกเกาเมนู ح, เขาบอกว่าอยู่อยู่ช่วงกลางของแม่น้ำอยูเปรตสหรืออัลฟุรอดซึ่งมันเป็นแม่น้ำที่มันเริ่มต้นจากประเทศ ต, ตุรกีแล้วก็ไหลามายังซีเรียแล้วก็เข้ามาผ่าประเทศอิรักเนี่ยเป็นสองเป็นสองซี่เลย ยูบลิตสกับเมนามดิจิลาคุมชน่นนบีนูนี้ก็อยู่ตรงนั้นอันนี้ในทัศถนานะอุลมาส่วนมากในในนักประวัติศาสตร์ของอิสลามซึ่งนักประวัติศาสตร์ของอิสลามส่วนมากก็จะเจาะจงพื้นที่ของบรรดานบีอัลลุทั้งหลายเนี่ยจากคัมภีร์เตารอซึ่งบางส่วนนี่ก็ ถูกต้องตามอัลกุรอานแต่บางส่วนนี่ก็ไม่ใช่อาเช่นการที่กลุ่มชนนบีนนูนยอยู่ที่อิรักเนี่ยอันนี้ก็มาจกากเตาโรแต่ในกุรอานมีไหมไม่มีเนี่ยฮาดิสของท่านนาบีมูฮัมหมัดและมีไหมไม่มีแต่ในกุรอานนี่มีเรื่องเดียวที่จะชี้ถึงพื้นที่ของกลุ่มชนนบีนูว่าเรื่อของท่า น, นาบีนูเนี่ย เพราะน้ำน้ำตัวมันลดแล้วเนี่ย Allah Baj wa غيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي พอะน้ํานี่มันลดแล้วมันแผ่นดินก็สูบน้ําหมดแล้วเนี่ยเรือของท่านนับีโนเนี่ยก็ไปเกาะอยู่ที่ภูเขาอัลจูดีซึ่งภูเขาอัลจูดีนี่ก็มีความขัดแย้งเยอะระหว่างบรรดาอุลามะว่าอยู่ที่ไหน บางทศนาบอกว่าอยู่นู่นในะอยู่เอเชียนี่ ใ, นใกล้จีนกันน่ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นทศนาที่อ่อนมากแต่ที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยรวมถึงหลักฐานด้านวัตถุโบราณก็มีซากซากของเรือเรือโบราณที่พบในพื้นที่ใกล้ภูเขาลูกหนึ่งที่ตุรกีและบังเอิญชื่อภูเขานั้นนะ่ะใกล้เคียงกับคําว่าเอลจูดี และตุรกีกับอิรักนี่มันก็มันก็ติดกันที่จริงตัแต่ก่อนนู้นมันก็เป็นพื้นที่เดียวกันไอที่แบ่งว่าเป็นตุรกีเป็นอิรักในอันนี้อันนี้ไซส์สปิโก้เนี่ยอันนี้มาที่หลังในช่วงจักรวรรดินิยมนะแต่แต่ก่อนนู้นในพื้นที่อิรักกับตแต่ก่อนนู้นก็เป็นอาณาจักรเดียวเป็นอรารยธรรมเดียวกันเลยฉะนั้นอันนี้มีเรื่องเดียวในคุตั้นี่ว่าอยู่ในยูดีเรือนี่มันไปเกาะอยู่ที่ยูดีก็แสดงว่ามันใกล้น่าจะใกล้พื้นที่ใกล้เกียนี่ย ที่อาจจะเป็นพื้นที่ของด่า น, นาบีนูกนี่ก็คือก็คือที่อิรักและถ้าเป็นแบบนั้นสมมุตินะครับว่ากลุ่มชนของนาบีนูก อ, อยู่ที่อิรักและน้ำท่วมที่อิรักแต่เรือนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ล่องไปไปไกลมา ก, ก น, นะจากอิรักนี่ไปถึงตุรกีนี่ก็ประมาณสามสี่ร้อกิโลไม่เยอะหรอกจึงสนับสนุนข้านะที่บอกว่า น้ำท่วมที่เราลงโทษขงมชนนบีโน่เนี่ยน้ำท่วมมันไม่ได้ท่วมทั่วโลกมันท่วมบางส่วนบางส่วนของโลกเออแล้วก็ที่เขาบอกว่าน้ําท่วมที่ว่าน้ําท่วมทั่วโลกนี่นะมันก็เป็นเรื่องราวที่มาจากอัตาโรในคุฎอ่านก็ไม่ได้บอกว่าทั่วโลกคุฎอ่านบอกว่าน้ำท่วมท่วมท่วมยิ่งใหญ่ก็ได้ ก็กเป็นไปได้ซีนามิอย่างเงี้ยท่วมยิ่งใหญ่มายิ่งใหญ่แต่ทั่วโลกมากแสดงว่าเรื่องนี้มีสองศาสนะนะบว่ากลุ่มชนนบีน่ซึ่งกลุ่มชนนบีโน่นี่ฝ่าฝืนนบีน่ในเรื่องการตั้งภาฏีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการการทำชิริกในในลูกหลานอาดัมที่อัลลออัลลอฮฺอัลลออั แล้วในบันทึกของอิมามบุฮารีระหว่างท่านนบีนูฮกับนบีอาดัมเนี่ยเพียงสิบยุคเท่านั้นสิบรุ่นสิบรุ่นสิบรุ่นนี่ไม่มีการตั้งบารีไม่มีทำชิริกเลยจนมารุ่นก่อนนบีนูฮเนี่ยลูกหลานนบีอาดัมรุ่นรุ่นที่สิบเนี่ย ที่เป็นคนดีพอรุ่นหลังของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอาตายแล้วรุ่นนี้เขาเป็นคนสวยแล้วเนี่ยเรามาสร้างรูปปั้นให้ลําลึกถึงคนดีเราจะได้ไม่ลืมพวกเขาไม่ลืมความดีของพวกเขานั่นนะพอสร้างรูปปั้นแล้วรุ่นหลังรุ่นหลังต่อไปนี่นะก็เริ่มมีการแน่นอนรุ่ น, ร, นรุ่นแรกเนี่ยที่รูปปั้นนี่เขาก็รู้แรู้แเขารู้เรื่องชิริกไง แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังแค่อ้อนี่คนนี้ก็าทำบุญแบบนี้เราทำความดีเหมือนเขานึกเดีย่ะล่ะแต่ว่ารุ่นรุ่นหลังเนี่ยก็เริ่มละพงมาลายมาละผ้าสีสันมาละ่อะไรคล้ายๆเหมือนบ้านเรานี่แหละมันไม่ได้เป็นการบูชาชัดๆนะ เป็นการบูชาชัดๆเป็นการลําลึกแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็มันก็กลายเป็นเรื่องสังการะใครอ่ะเราระบุเลยชื่อชื่อคนโซเล่เนี่ยวัดนซวะยาโวุยากะนสราในสุรษนูห์เนี่ยก็คือกลุชนนบีนูห์นี่ ที่ไม่ยอมเริ่มแล้วนะรุ่นรุ่นของนายบีโน่เริ่มละชิดิกละนบีโนนี่ก็เลยรับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เตือนเขากุมชนนบีโนนี่ไม่ยอมและตาตาลุ่นนวัดดนอยทิ้นะการบูชาใคร่บรรพบุรุษของเราอย่าทิ้งนะวัดดนบรรพบุรุษของเราก็อย่าวัดดนสวา ولا يقو س و يقو قو نصره ن آ ن, ن ا นะ تفسير เนี่ยขอานี่ أسماء رجال صالحين เป็นชื่อของบรรดาคนโซเล่รุ่นก่อนที่รุ่นหลังเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างรูปปั้นแล้วก็ภายหลังก็กลายเป็นการทำเชริคแสดงว่าบาปของกลุ่มชนนบีน่นี่ก็คือเรื่องทำาชริกแต่อุนฟิกีนเขาทำาชริกไหมเขาไม่ได้ทำเชริกและเป็นอุทสาหอนี่ยังไงอุทาหนบาปของเขาในเรื่องชริก มาเพิ่มอีกบาปหนึ่งก็คือพอท่านนาบีนูนเนี่ยห้ามว่าไม่ให้ทําเนี่ยเขาก็เลยไม่ฟังมันก็เลยมันก็เลยเป็นบาปอีกบาปหนึ่งคือไม่เชื่อฟังนบีระซุ่นเขาซึ่งเป็นบาปของพวกมุนาฟิกินแล้วจะเป็นบาปที่มีความเหมือนทุกยุคทุกสมัยของบรรดา ม, มนุษย์แต่ละสมัยนี้อาจจะมีกลุ่วนที่ก็ไม่ได้ทําชิริกแต่แน่นอนใครที่ทําบาปนี่ บาปที่สำคัญที่เขาทำนี่ก็คือไม่เชื่อฟังบรรดานาบีและรสูรหลังจากนาบีนูห์เขาบอกว่าก็บีนู้าาดินออาดนี่ไงอาดนี้อาลนี่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในรัฐที่เขาเรียกว่าฮัดรมอุดตอนนี้อยู่ประเทศยิมนชื่อตำบลนี่ในกุรอ่านนี่ก็เรียกว่าอัชฮับุลฮิจร ไปยึดิปย um ึดไปยึดไปว่ามุมไปว่าไปว่าพื้นที่นี่ยไปนบีของอุมชนาดนี่ก็คือนบีฮุดทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะก็มีมัสยิดที่ฮะดรมอเนียชื่อมัสยิดนบีฮุดเขาอ้างว่านบีฮุดถูกฝังที่นั่นก็กลายเป็นมัสยิดเลยนะและ คนที่จะบูรณะมะสิดใน บ, บีฮูดเนี่ยแล้วก็มีพิธีฉลองมาลิดน บ, บีฮูดละทุกอย่างที่ส่วนมากก็จะเป็นพวกซูฟีตรดิกัะที่อิเมนโดยเฉพาะที่อยู่ภายใตย้การดูแลของบรรดาฮะบีบฮบี บ, บ, บที่มาบ้านเราเนี่ฮะบีบนั่นนะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ดูแลแล้วก็ยกย่องเนี่ยมสิดน บ, บีฮูดที่เขาอ้างว่า นบีฮุดฝังอยู่ที่นั่นนะฝ่ฟาฝืนนบีฮุดในเรื่องอะไรก็เรื่องชิริกเหมือนกันเรื่องชิริกแล้วก็เรื่องสร้างอาคารเรื อ, อนอาคารเรือนที่ใหญ่โตและพื้นที่พื้นที่บันเทิงพื้นที่ที่สนุกสนานบันเทิงโดยไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลกุตา และก็ลืมตัวจนไม่คิดว่าตัวเองวันหนึ่งจะตายว่าตัตดูนามสอนิอะกัลละกุ้ตัคลุดูนสร้างบ้านอาคารเรือนรือหาดวางใหญ่โตเหมือนจะไม่ตายกันสักวันหนึง่งถ้าสุดท้ายนี่อัลลอฮ์ก็ลงโทษกลุ่มชนหาที่ฝ่าฝืนนบีฮุดด้วยพายุ พายุเย็นก็เสียชีวิตกันทั้งเมืองเลยพายุเย็นกลุ่มชนนบีนูเสียชีวิตด้วยน้าท่วมหลังจากกลุ่มชนอากลุ่มชนสมูทรสมุนี่ก็ขึ้นไปข้างบนสมูทนี่สมุทรนี่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ตาบลอยู่ที่ประเสเดียร์รยูกับตบลตะบุก ใกล้เมืองตะบุกซึ่งอาคารเรือนของขอ ง, ของกลุ่มชนสมุทรเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะในพื้นที่เรียกว่ามาดาอินซอลห์มาด้าอินซอลห์ซึ่งเป็นบ้านเรือนที่เขาสลักในภูเขาเป็นบ้านที่อัศจรรย์มากเขาเสียชีวิตเนื่องจากฝ่าฝืนนบีของเขานี่ชื่อนบีซเลห์ แล้วก็ให้หมัจิสารมาอย่าอูดอูดให้ดื่มน้ําในบ่อน้ําของเขาวันนึงแล้วก็ให้กลุ่มชนสมุนเนยดื่มน้ําอีกวันหนึ่งและน้ําที่อูดเนี่ยเขาจะดื่มวันหนึ่งห้ามคนมาดื่มน้ําจากบ่อน้ํานะแต่มีสิทธิ์ที่จะดื่มนมอูดเนี่ยสามารถดื่มได้ทั้งเมืองเลยเขาก็ไม่พอใจก็เลยไปฆ่าอูดเป็นเมืองใหญ่นะ ประชากรน่าจะหลักพันแต่คนที่วางแผนฆ่าอูดโดยที่ชาวบ้านรับรู้แต่ไม่ห้ามเก้าคน9ก้าคนที่ฆ่าอูดแต่ทำให้อัลลอฮ์ลงโทษทั้งเมืองทั้งเมือง น, นี่ไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมฆ่าอูดนะแต่รับรู้รับทราบรับรู้และไม่ห้าม และเก้าคนเนี่ยวางแผนแต่คนที่ลงมือเนี่ยคนเดียวคนที่ลงมือนี่คนเดียวชื่อกูดอรอิบเิซัลิฟก้าคนนี่รวมตัวกันแล้วก็วางแผนนะแต่คนนี้ลงมือนคนเดียวกิ น, ก น, นะ น, น, น ด, ด, ดูดิเมืองทั้งเมืองนะมีคนเลวๆนี่เพียงเก้าคนนะและเลวสุดเนี่ยคนเดียวนะที่อัลลอฮ์บอกว่าในคุตานนี่ยบอกว่าฟันบาสัชกาฮา์อัชกาคนที่เลวที่สุดแต่คนที่เลวที่สุดเนี่ย ในะบางทีโนี่ยโอ้โหในตำบลนี้มีคนเดียวเลวที่สุดถ้าในมาตรฐานอัลลอฮ์เนี่ยถ้าในพื้นที่เนี่ยมีคนเลวที่สุดคนเดียวและก็ไอคนอื่นนี่ไม่เลวเลยนะแต่ไม่สามารถปราบปรามคนเลวที่สุดเพียงคนเดียวนะแสดงว่าทีเหลือเนี่ยพอๆกันนะปราบปรามเลวสุดคนเดียวไม่ได้อะนะ ความดีมีไปหัโนอะไรล่ะชุมชนมีอยู่ร้อยคนเก้าสิบเก้าคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยล้วนเป็นคนซอเล่ละห ม, มัดเกียรมุ่นเลลทําบุญอ่านคุร์อ่านละหมาดยะม า, ะมาแต่มีคนเดียวคายาสับสนในชุมชนนะทำให้ลูกหลานนี่พินาศไปหมดเลยนะแต่อีกคนดีคนซอเล่เนี่ยไม่เคยไปห้ามไม่เคยไปปราบพรามคนเลวในชุมชนเลย มีประโยชน์อะไรล่ะละมาติยมุลเลลละมาจะมาลังกันมีมัสยิดเนี่ยมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าคนเล็วที่สุดเนี่ยมามาขายยาบ้าหน้าสุเราไม่มีใครกล้าไม่ว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งเขาเขาไม่ได้มาขายในสุเราเฮ้ยอย่ว่าอะไรก็ไม่เขไม่ได้มาเขาไม่ได้มาวางแผนหน้าสุเราเนอะแต่เป็นแบบนี้เนี่ยก็พอๆกันเลยนะ และในตาช่างงอนรุบมานาหัวดาละสมควรที่จะถูกลงโทษเหมือนกันท่านอันลลอฮ์ก็ลงโทษด้วยเสียงกมปนาลองคิดดูสิเสียงกมปนาที่ทําให้ที่ทําให้มนุษย์เนี่ยตายคาที่เลยนะมันจะเป็นการลงโทษแบบไหนลังจากสมุดก็อุมอิบรอฮิมนี่ตามลาดับเลยนะ ตามลาดับเลยแสดงว่าหลังนุชเนี่ยก็มีอาดแล้วก็สมุดแล้วก็ข้ามูอิบราฮิมข้ามอิบราฮิมเนี่ยนี่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่มีหลักฐานในกุรานใน حديث ของท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมว่าขุมชนนบีอิบราฮิมเนี่ยมาจากอิรักโดยเฉพาะใกล้เมืองบาบิลน ไม่มีนะแต่นักประวัติศาสตร์อิสลามส่วนมากเนี่ยเขาก็ยืนกลางว่าท่านนาบีบรหีมมาจากอิรักมาจากบาบิลอนผมก็เคยนําเสนอประวัติของท่านนาบีบรหีมแบบนี้แตในการอธิบายกุตอานเนี่ยเราก็ต้องบอกทุกทศนารนาห์ซึ่งมีทศนาหนึ่งศึกษาแล้วมันน่าจะมีเหตุมีผลมากกว่าอย่างที่บอกแล้วอ่ะ นักประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยรับอิทธิพลจากเรื่องราวของกลุ่มชนรุ่นก่อนที่มาจากอัตาลรอทําไมอ่ะเพราะอัตรารอเนี่ก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่เก่ากว่ากุตัลแน่นอนฉะนั้นเวลาเขาจะอ้างอิงก็จะอ้างอิงตำราเก่าๆนะและประวัติศาสตร์ในรุ่นนั้นนะ่ะแทบไม่มีตําราที่เป็นเล่มมาที่เป็นหนังสือเป็นตารา มันก็แทบไม่มีทางเลือกสำหรับนักประวัติศาสตร์ที่จะมีเรื่องราวอ้างอิงได้นอกจากที่มาจากกเาเตอร์แต่ <c oughs> มีทศนะหนึ่งที่อุลมามะได้บอกว่าท่านนาบีอิบราฮีมและกลุ่มชนของเขาเนี่ยสันิฐานว่าไม่ไดีอยู่ที่รักนะสันิฐานนะว่าเขาน่าจะอยู่ ตอนเหนือของคาบสมุทรอหรับใกล้ๆกับโจอโแดนหรือโดยเฉพาะใกล้ๆกับเมืองสะดูมของอุุมชนนบีลุตด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกเขาบอกว่าที่แน่นอนเนี่ยว่านาบีอิบราฮิมอันนี้มีใน hadis ของนบีสุลต่านละอุสัลลัมท่านนาบีอิบราฮิมได้เข้าไปอีบแล้วก็ได้ทาสีจาก ฟาโร่เนี่ยก็คือท่านหญิงฮาเจัและภายหลังจากนั้นก็ไปแต่งงานกับท่านหญิงฮาจัดแล้วก็ได้ได้ท่านนาบีสุลัยลเป็นเป็นบุตรใช่ไหมซึ่งถ้าจะสันนิฐานว่าท่านนาบีบรหิมเดินทางจากอิรักไปอียิปต์หรือเดินทางจากตอนเหนือของคาบสมุทรเข้าอียิปต์เนี่ยเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์นี่มีหลักฐานว่ากลุ่มชนที่เขา อาศัยอยู่ในพื้นที่ซีนตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนี่ก็คือปาเลสไตน์จอแดนและตอนเหนือของซาอุดีอาระเบียนมีการมหาสู่ระหว่างพวกเขากับอาณาจักรอียิปต์เนี่มายาวนานแต่การเดินทางระหว่างชาวบาบิลูลชาวอิรักเนี่ยในยุคอาณาจักรบาบิลูลที่เดินทางจากอิรัก ไปอี๊ยบเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อยฉะนั้นเราจะเทียบระหว่างความเป็นไปได้ระหว่างสองพื้นที่เนี่ยพื้นที่นี่เนี่ยมันน่าจะใกล้กว่าสองท่านนาบีบรหีมบ้านปลายชีวิตของท่านเนี่ยไปพักอยู่ที่ปาเลสไตน์และทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีเมืองที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นเมืองที่ท่านนาบีบรหิมถูกฝังเมืองอัลคาลีนตอนนี้นี่อยู่ในการยิดครองของของอยูซเนสกอการาย และท่านอยู่ที่นั่นกับซาโรภรยาคนแรกนะที่ได้บุตรชื่ออิสฮักและพอแต่งงานกับท่านหญิงฮาจัดเนี่ก็เลยอพยพกับฮาจัดเนี่ไปอยู่ที่มักกะแล้วก็ฝากลูกเขาเนี่ยที่มักกะฝากลูกอิสมาเอลนี่กับฮาจัเนียให้พักให้อาศัยอยู่ที่มักกะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ทําไมต้องมาสนิทฐานว่า นบีอิบราฮิมไปอยู่ที่อิรักละ่ะนักวิชาการบางท่านที่เขาวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันมาจากเตรารอเนี่ยเขาบอกว่ า, วายูเนี่ยบิดเบือนเตรารอแน่นอนซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าขอ้อเท็จจริงของท่านนบีอิบราฮิมว่าท่านเกิดเมืองเกิดของท่านเนี่ยอยู่ที่ อิรักจิงหรือเปล่าเนื่องจากว่า <c oughs> ยินี่อ้างเสมอ ว, ว่าอิบรอฮิมเป็นยิยิวอะนะอ้างว่าอิบราฮิมเป็นยิวุณอ่านก็ตอบโต้ครัมาเกอนะอิบราฮิมมุฮุดีเห็อิบราฮมนี่ไม่เยเป็นยิลวลเาอ้างว่าอิบรฮมเป็นยยนี่นะหลังจากที่ท่านนาบีมูซาได้ออกจากอี ก็ได้ตราร้อ ไ, ได้ตัราได้เตราร้อนเนี่ยที่ภูเขาซีนและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ลงโทษชาวยิวเนี่ยให้หลงไปสี่สิบปีและเกิดยุคนึงอีกยุคนึงที่เขาไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ที่สามารถเข้าไปยึดยูดาสลิมแล้วก็ตั้งอาณาจักรของอยิวตั้งอาณาจักรของอยิวเนี่ยประมาณสองสามร้อปีแล้วเนี่ยอาณาจักรยิ่งใหญ่มาก แต่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งสอนของของพระเจ้าแล้วก็ดังแก่ชาวบ้านทำให้กษัตริย์ของบาบิลูนเนี่ยยกทัพไปตีอิสราเอลแลวก็เอาชาวยิวทั้งหมดเนี่ยเป็นเฉลยขนไปจากปาเลสไตน์นี่นะไปอยู่ที่บาบิลูนในยุค ข, ของบาบิลูนเนี่ย อาศาของของว่าไม่รู้เนี่ยเขาเผ า, าเตาร้อนีทั้งหมดเลยยูเนี่ยจึงต้องท่องจำท่องจําเตาร้อนเนี่ยในความจําของเขานี่ยนะอุลามาก็เลยบอกว่าช่วงที่เตาร้อนเนี่ยถูกเผาไปหมดเลยเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าพอเขียนเตาร้อนอีกครั้งหนึ่งยิวที่ต้องการ ยืนยันในที่ไปที่มาของสายสกุลของตัวเองสายสกุลของตัวเองเนี่ยต้นตอก็คืออิบราฮิมเพราะอิบราฮิมเนี่ยเป็นบิดาของอิสฮากิสฮากเป็นบิดาของยาคูบที่เป็นต้นตระกูลของบรรุอิสราเอลยยาคูบมีชื่ออิสราเอลนยแสดงว่าอิบราฮิมนี่ก็เป็นต้นตระกูลเป็นปู่ทวดของยิวใช่ป่ะแต่จะยืนยันนะว่าเขาไปเนี่ยอ่าเขาแสดงว่าเขาต้อง เขาต้องอยู่ในพื้นที่ที่เราเคยอยู่มายาวนานที่สุดพื้นที่ที่ยิวยืนยาวนานที่สุดเนี่ยที่เขาเรียกว่าพื้นพื้นที่ลีไพร์นะก็คืออิรักอยู่ที่บาบิลอนเนี่ยเป็นร้อยรอยปีเป็นร้อยรอยปียิวเนี่ยดนลีไพรเนี่ยสองยุคยุคแรกเนี่ยยุคน่ยก่อนนบีมูซาลีไพรที่ไหนอียิปเป็นร้อยร้อยปี แล้วก็พออพยพไปที่เย ร, รูซาเล็มแล้วก็ตั้งอาณาจักรแล้วเนี่ยก็ไม่ทำตามคําสั่งเหมือนกันนะนะเราก็เลยลงโทษให้ลีไพร์ลีไพัยไปอยู่บาบิลนไปอยู่อิรักช่วงที่อยู่อิรักเนี่ยบาบิลนเนี่ยเขาบอกว่าถึงขนาดที่เขารู้สึกว่าแผ่นดินอิรักเนี่ยเขาคุ้นเคยมากกว่าเลยอุปโลกเรื่อง วะท่านนาบีบรหิมมาจากอิรักเพื่อยืนยันในที่ไปที่มาของตัวเขาเองเนี่ยที่เขาเขียนเตรารอครั้งที่สองเนี่ยก็เขียนที่บาบิลอนน่ะนะอุลามาจึงสันนิษฐานว่าจุดบิดเบือนครั้งแรกเนี่ยอาจจะมาจากตรงนี้เพราะมันไม่มีเหตุผลเลยที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านนาบีอิบรหิมอยู่ที่อยู่ที่อิรักนารุด นํารุ่กษัตริย์ที่อิโมหิมโต้เถียงกับเขาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมต่างๆที่รัก์เนี่ยไม่มีปรากฏก็มีกษัตริย์ที่ผู้อธรรม嘛นะก็มีที่ผู้อธรรมนี่ก็มีที่ที่ถูกระบุเขาก็พยายามที่จะพาดพิงบอกคนนี้น่าจะเป็นนํารู่นหรือเปล่าคนนี้บอก่แต่ไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนที่ชัดเจนชื่อนํารู่อย่างเงี้ยไม่มี ความไม่มีชัดเจนมีเฉพาะในเตาร้อนอย่างเดียวคําว่าอนุมรุษเนี่ยฉายาของกษัตริย์ที่สั่งให้เผาท่านนาบีอิบราฮิมะนะในกุตัานเนี่ยไม่ได้เรียกว่านุมรุษนะในกุตอ้นนี่ ก, ก็ก็เรียกว่าเป็นกษัตริย์อย่างเดียวอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมนบีอิบราฮิมเนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่รักเพราะนักประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเอกฉันว่าอิบราฮิมเนี่ยมีหลานคนหนึ่ง ท่าศาลาหนึ่งบอกว่าเป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวอิบราฮิมอีกท่าาเป็นลูกของน้องชายหรือพี่ชายของของอิบราฮมหลานคนนี้ก็คือนบีลูยุคเดียวเลยับท่านนบีอิบราฮมุอานบอกว่าแมาใูลูลูดนี้ก็ศรัทธาตอนนั้นตอนนั้นคนที่ศรัทธาตอนบีอิบราฮีมน้อยมากนบีอิบราฮม บอกกับภรรยาซาราบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครในโลกใบนี้เนี่ยที่สตาตอ น, นอกจากฉนกันกับเธอน้อยมากกว่าเนี่ยหนึ่งเรื่นั่นก็คือหลานนาบีบรูฮิมก็เลยสั่งให้เขาไปหาเมืองสะดูมจะได้ไปเตือนชาวบ้านที่นั่นสะดุมอยู่ไหนอะ่ะก็อยู่ตรงนี้อยู่อยู่จอแดนงห น, นึ่งท่านนาบีลุตเมืองสะดูมแสดงว่าท่นานนบีบรูฮิมก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ กลุ่มชนของท่านนาีเอบรอฮิมเ น, น, น, นี่ยก็น่าอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้เมืองสะดุสนะนะสมดสมนมมันนิฐานนะนะกลุ่มชนหนึ่งก็คืออัสฮาบมาเดียนอัสฮาบมาเดียนอัสฮาบชาวไม่ว่าชาวอัสฮาบซอฮาบะพวกชาวมาเดียนก็คือชื่อเมือนซึ่งเมืองมาเดียนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย ก็ยังมีตำบลหนึ่งใกล้ตะ บ, บูกันนะชืนยแล้วก็เมืองของเขาเนี่ยก็คล้ายๆเมืองของสมุทก็คือสลักในภูเขาเลยชาวมาเดียนซึ่งชาวมาเดียนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชนเก่าแก่เหมือนกันแต่นบีของเขาเนี่ยคือนบีชวย นบีชัอับเนี่ยมีถ้าสมดนะ้นานปรวะวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่านบีชัวอับเนี่ยเป็นนบีในยุคไหนทัศสมม่นะนบอกว่ายุคนบีมูซาเพราะท่านนบีมูซาตอนที่ฆ่าชาวอีบคนห น, น, นึ่งแล้วก็หนีหนีจากอีบนะ่ะหนีจากอีบได้ไหนะ ا أ ص ص, ววรดาแมมดยรตอัลกัซวรดาแมดแล้วผู้หญิงสองคนที่กำลังหาน้ำให้ให้ฝูงแกะที่เขาเลี้ยงอยู่แต่เนื่องจากว่าคนที่เลี้ยงแกะที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็รุมกันแย่งน้ำผู้หญิงสองคนนี่อายไม่กล้าเข้าไปเขาป้า ตักน้ำไปวิดน้ำให้แกะของตัวเองท่านนาบีมูสซาก็เลยไปช่วยช่วยเอาน้ำมาให้แกะหรือพาแกะเนี่ยไปดื่มน้ำคือคือไปเบียดกับคนอื่นนะเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าที่จะไปปนกับผู้ชายทำหน้าที่โดยโดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยไม่หิวแสงนะโดยไม่รอใครจะมาใครจะมา ถ่ายคลิปแล้วก็ขึ้น a ฟ e บ o ๊ k จะได้มีไลค์โอ้โหนี่คนนี้ดูดิเขาช่วยผู้หญิงอ่อนแอกันนไม่เขาช่วยแล้วก็ไปหาที่ร่มร่มเย็นเย็นใต้ต้นไม้แล้วก็นอนนอนสักพักหนึ่งก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยท่านนบีมูซาขออุดมอุดมบทเราะบิอินนี้ลิมาอันเลตตอิลัยมินยรินฟากี โอล Allah ในสิ่งที่พระองค์จะประทานลงมาให้ข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้านี่มีความยากจนขัดสนต้องการเหลือเกินหมายถึงว่าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านเหลือเกินแล้วก็นอนสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงมาเรียกอินอับบียดูุคเลียดิซีย์กอจรามาสเันอายะต้าเรียกท่านจะได้ตอบแทนส่วนที่ท่านช่วย ช่วยเราในหาน้ำให้ฟูง้งแกะเพราะไปหาเขาเนี่ยในคุตตานไม่ได้บอกนะว่าพ่อของผู้หญิงสองคนเนี่ยคือนบีชวยแต่มีทัศนันึงตีความว่าเป็นนบีชวยเนื่องจากว่าตําบล น, นั้นอันมัดเยนไงแต่มัดเยนก็มีนบีชวยแต่ในคือในเรื่องราวช่วงนั้นน่ยมันไม่มีอะไรบ่งชีว้ว่าคนคนนั้นนเป็นนบี เป็นนบีแล้วก็ลูกสาวสองคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเอาน้ําให้นบีนะเป็นนบีคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวเคนนึงเป็นไปได้ไงแล้วก็ตอนนั้นนะ่ะชายคนนั้นนะ่ะพ่อของหญิงสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะตอนท่านนาบีมูซาไปหาเขาแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เขาไปฆ่าชาวอิบแล้วก็เหมือยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกลัว ท่านรอดจากอันตรายสแสดงว่าเขาเขาเป็นคนน่าจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งคือจะบอกกับนบีบอกเป็นขัตกรคนอ๋อไมต้องกลัวแล้วนี่ก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องกับใครอ่ะอำนาจของฟาโรห์นะแสดงว่าต้องเป็นคนไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยแต่ลูกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหาน้ํานี่ก็มันไม่น่าจะเป็นนบีไม่น่าจะเป็นนบี แต่มีทศนาหนึ่งที่ก็าบอกว่าเป็นนบีหนึ่งจากว่าเป็นตำบลมัดยันและมัดยันนี่ก็มีนบีชีชัวย์เขาก็เลยผูกตรงนี้ผูกพันธ์ตรงนี้แต่ที่ต้องรู้นี่ว่าตำบลนี้เนี่ยมีชื่อว่ามัดยันเนี่ยมายาวนานตั้งแต่สมัยนบีบรหิมก่อนนบีมูซาด้วยก็เรียกว่ามัดเยนเหมือนกันและหลังจากนั้นก็เรียกว่ามัดเยนเหมือนกันก็ไม่มีไม่มีไม่มีข้อขัดแย้งอะว่าตอนนั้นน่ะก็นบีมูซาก็ไปมัดยันแต่ตอนนั้นน่ะไม่มใช่ชัวย์ก็ได้ ทำไมต้องพูดแบบนี้ละเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะาลได้บอกว่าได้เล่าเรื่องกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยในด้านประวัติศาสตร์นี่มันไล่ไ่กันนะนบีนูฮ์อาติงอาตหลังอาหลังนบีน์สมุทไล่ไ่กันแล้วอะไรอากนั้นนบีอิบรอฮมแล้วะไ่านั้นอัลฮะบูมัดเดียนอัลฮะบมัดเดยนนี่ก็ต้องไล่ไกันแต่เจ้าอัลฮะบมัดเดนนี่คือของนบีชอยบในยุคมูซ่านู่นน่ะไปนู่นน่ะไปไกลละ และลัจนลมุตะฟิกาสมุตะฟิกานี่ก็คือของนบีุมูตอมาที่หลังทั้งนั้นนีท้งนั้นนีมุตอะฟิกาเนี่ยมันก่อนนบีมูซาใช่ไมเชิญเส้นนิานได้ว่าอัฮาบมัดียนะตรงนี้เนี่ยก็คือกลุ่มชนของนบีสุายบนี่นะคนและกลุ่มชนของมัดยน ตำบลที่ท่านนบีมูซาลีภัยและไปแต่งงานกับพวกเขาคนคนละยุคกันอัสฮามัดเย็นตรงนี้นีก็คือนบีชอยแล้วก็ยุคของเขานี่ก็คือยุคใกล้ๆกับท่านนบีอิบราฮิมทําไมอะใกล้กับท่านนบีอิบราฮิมไล่ๆกันเลยนะทําไมอ่ะ Allah ได้ระบุว่าวั ل มุ ت ต ف ِ ك َ ا ت ا ل م ُ ت َ ف ِ ك َ ا เนี่ยบรนดาเมืองที่ถูกพลิกบอกว่า กลุ่มชนนบีลูตนี่นะหลายเมืองนะหลายเมืองเล็กๆๆๆๆๆก็ถูกพลิกทั้งหมดแต่เมืองหลวงของเขาเนี่ยก็คือเมืองสะดูกคารมุตัฟิกาสนี่มาจากแอฟิกาแอฟิกาสเนี่ยไม่ต้อถูกพลิกถูกพลิกถูกคว่ํา่ะซึ่งเป็นบทลงโทษของกลุ่มชนนบีลูตเนื่องจ็ดบาปที่เขากระทำก็คือรักร่วมเพศก่อนหน้านี้เนี่ยของกลุ่มชนนบีชอยฟ์เนี่ยถูกลงโทษด้วย การลงโทษสามประพิีเขาทำชิริกแล้วก็โกงตราช่างถูกลงโทษด้วยสามอย่างหนึ่งเสียงกมปนาสองพายุร้อนพายุร้อนสามไฟที่ลงมาจากเมฆ ก, ก่าวคือเขาถูก เขาถูกลงโทษมันช่เสียงก ร, มรนะมาได้มันเสียงก ร, มรนะมาพร้อมแผ่นดินไหวพร้อมแผ่นดินไหวและหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็หนีจากพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวใช่ป่ะก็ไปเจอแดดร้อนและพายุร้อนเขาเจอแดดร้อนและพายุร้อนเนี่ยก็มีเมฆมาเขาก็เลยดีใจเลยว่ามีเมฆมีอาจจะมีความร่มเย็นพราะก็เพราะหนีจาได้ไปอยู่ใต้เมฆนี่นะรากฏว่ามีไฟลงมาจากมาจากเมฆ ทำให้เขาเนี่ยตายกันทั้งเมืองอันนี้การลงโทษของกลุ่มชนมาเดียนอัลมเตฟิกัก็ถูกลงโทษ ด, ด้วยการพิกเมืองบางรรยงานอันนี้เป็นรรงงานจากบรรดาซาลฟนะไม่ได้เป็นคุรหรานเป็นฮะดีสเ็าบอกว่าจิบริลเนี่ยใช้ปีกเดียวเารารจิบริลนี่มีอยู่ห0ร้อปีกแต่ใช้ปีก อีกเดียวในบรรดาห0ร้ปีกเนี่ยยกเมืองยกเมืองกลุ่มชนนบีรูตเนี่ยจนกระทั่งบรรดามาเลกาในชั้นฟ้าเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าของเมืองเขาแล้วก็พลิกเมืองจากนั้นพลิกเมืองจากนั้นคว้าเมืองอันนี้เรื่องนี้เรืยงานเนี้มีแต่เป็นเรายงานจากชาวสลับนะไม่ได้เป็นเรืยงานของกุศลและฮะดิษแต่ที่มีในกุรอานาก็ถูกพลิก รเยว่าถูกพิกยังไงไงนะอันนี้รายละเอียดนี่อันนี้ไม่มีในคุตตานอันนี้เราจะได้แยกแยะว่าอะไรที่อะไรที่มีตัวบทชัดเจนแลวอะไรที่เป็นเร่งงานด้านประวัติศาสตร์สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ให้เป็นอุทาหรณ์บอกว่าอَ ت َ ت ْ ه ُ م ْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِأَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ดยที่บรรดา ر ซูลของพวกเขา ได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขานี่แหละทุกยุคทุกสมัยได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งแม้ว่าจะเป็นคำสั่งสอนที่ถูกบันทึกในคัมภีร์อย่างพวกเราเนี่ยหรือจะเป็นบรรดาอบีรลรษูลที่พูดจาเห็นกันจะๆเลยได้ยินเสียงกันทุกคนเลยรวมถึงมหาสจัม์มวดิซาต่างๆที่จะท้าทาย ท้าทายการดื้อดึงของพวกเขาทำให้เขาเนี่ยจะต้องสยบแก่ความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลได้ส่งมาเพราะฉะนั้นอัลลอ์บอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีหลักฐานมายัางพวกเขาแล้วมีคำสั่งสอนมายัางพวกเขาแล้วจึงไม่ได้เป็นความผิดของอัลลอฮ์สุบฮานวตารลและอัลลอฮ์จะไม่ถือว่าอาธรรมพวกเขาแม้แต่น้อย ฟัมาแก่แล้นที่จะทมแก่พวกเขาก็หาไม่อันนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักฐานประกอบสำคัญในทุกเรื่องที่เราได้รับรู้หลักการศาสนาอย่างเชันจีนอ้อาา آن, กุณอ่านชชดเจีนรับรู้แล้วหซาดฮีส์เชดเจีนรับรู้แล้วและหลักการนี้ สั่งการเราอะไรสักอย่างหนึ่งหรือห้ามเราอะไรสักอย่างนึงหลักฐานที่มาประกอบอสมุดยกตัวอย่างเราได้รับรู้แล้วนี่ว่ามีหลักฐานหลักฐานอัลลอฮ์ห้ามเล่นการผนันห้ามนี่ไะเราก็ต้องเลิกเล่นการผั น, <c oughs> <c oughs> นี่ทุกรูปแบบเลิกเล่นการผนันโดยมีหลักฐานประกอบว่าหลักฐานชัดแจ้งจากอัลลอฮ์ามาอย่างพวกเราแล้ว แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อธิธรรมเราแล้วอา้าวแล้วเราจะถือว่าบิดพรียวต่อความชัดแจ้งที่มาจากอัลลอฮ์นี่ต่อเมื่อเราไม่ยอมรับในคําสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์สุภาโนวดาแหละตอนนั้นน่ะจะถือว่าเราได้อธิธรรมตัวเองวาเลกินกานูอัลฟุสอุมยัลลิมูนเขาได้อธิธรรมตัวเองเอรรต่า ง, งหาก ที่ไม่ได้น้อมรับหลักฐานการชัดแจ้งจากอัลลอฮฺสุฮาน์เราและฝ่าฝืนคำสั่งใช้หรือข้อห้ามของอัลลอฮฺสุฮาห์นฮุจาร์หลักฐานชัดแจ้งนีตัวหลักฐานชัดแจ้งนะถูกต้องไหมตัวหลักฐานชัดแจ้งนะแล้วเราจะพบเห็นว่าในกุตัานเนี่ยอัลลอฮฺพูดถึงไบยีญญน่านีหลักฐานที่ชัดแจ้งนี่คือตัวหลักฐานที่ชัดแจ้งนะ สแสดงว่าสิ่งที่มีอํานาจอิทธิพลเหนือกว่าผู้ศรัทธาทุกคนนี่คือตัวหลักฐานนะไม่ใช่ผู้รู้ที่ถ่ายทอดหลักฐานไม่ใช่ผู้รู้ที่สามารถชี้ขาดว่าอะไรฮารอมอะไรฮาราลี่ไม่ไม่ใช่ผู้รู้นี่จะเป็นผู้ดีไถ่ายทอดเนื้อหาของหลักฐานที่ชัดแจ้งนี่นะมาให้ประชาชนเนี่ยในรับรู้ว่าพระเจ้าสั่งว่าอย่างนี้นะตัวผู้รู้ไม่มี อำนาจบัญญัติแต่มีอำนาจอธิบายและถ่ายทอดเท่านั้นฉะนั้นใครที่จะไปเรียนรู้อะไรกับผู้รู้ถ้าผู้รู้นี่ไม่มีข้ออ้างแห่งบทบัญญัติที่ชัดแจ้งอะนะหมดความชอบของผู้รัน้นผู้รู้คนนั้นน่ะที่จะสั่งการชาวบ้านสั่งการด้วยด้วยสิทธิ์อะไรตัวเองนี่ไม่มีไม่มีหลักฐานาันชัดแจ้ง ตัวเองที่เป็นผู้รู้นี่นะเพราะต้องมีหลักฐานชัดแจง้งจึงเป็นหน้าที่ของประชาหน้าทีข่ของผู้รู้ก่อนพูดกับประชาชนเนี่ต้องมีอะไรต้องมีหลักฐานที่ชัดแจง้งต้องมีใยีนาสส่วนอันนะอายะที่เรารู้จักกันทุกทุกคนฟาสลูอะฮละดิกริเองกุนตุมลาตาละมูนส่วนมากจะห ย, ยุดแค่นี้ใช่ปะจำได้แค่นี้ใช่ปะฟัสลู وا, จงถาม และดิกรีผูรู้เองคุณตุมเลขาละมูนตถบบกกระแถบบกเจ้าไม่รู้แต่ต่อไปเนี่ยบิลบญีแนที่นี่ไงวะซูบุรด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งว่าซุบุรและคำพีเห็นี่มัผู้รู้นี่ถ้าไม่มีหลักฐานชัดแจ้งไม่มีคำพีนะก็ไม่ต้องด่าเขาอันนี้นี่แบบต้องไปต้องมานะถ้าผูร้รู้ไม่มีหลักฐานชัดแจ้งที่จะมาอ้างกับชาวบ้านเนี่ยนะ หมดความชอบที่จะไปถามเขาอันนี้ถ้าเป็นจัญญาบันของผู้รู้นะประเด็นนี้ชาวบ้านนี่ก็ชาวบ้านนี่เขาก็จะหูตาสว่างทูกหลอกยากหลอกได้ไงอ่ะเขาก็จงเชื่อฟังเชื่อฟังผู้รู้เชื่อฟังผู้นําจนกระทั่งชาวบ้านนี่ไม่กล้าถามเลย ถ้าผู้รู้นี่หุกกมอะไรฟ้าตัวอะไรนี่อาจารย์หลักฐานมันมีมั้งเนี่ยหรือดิชาวบ้านนี่มีใครกล้าถามแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์พวกอาจารย์รันขังๆหน่อยนะแบบอาจารย์ที่าพูดแล้วต้องฟังนะพูดแล้วต้องฟังไอ้วันซื่อเนี่ยทมาถามเรื่องหลักฐานนี่นะและ้วแล้วถ้าฉันบอกหลักฐานนี่เองจะรู้เรื่องจะเข้าใจไหมนเนี่ยถามมา ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่หน้าที่ของผู้รู้เนี่ยที่ต้องแปลเขาแล้วก็มีหลักฐานแบบนี้ความหมายของ <c oughs> อายะขอ ง, อ, ข อ, งอันนี้สีเป็นแบบนี้ต้องมีหลักฐานตีความผิดไม่ผิดตีความเพี้ยอันนี้เป็นผิดอันนี้อันนี้เขรารับไปผู้รู้รับไปแต่ต้องมีหลักฐานแต่พูดแบบเนี้ยมีหลักฐานไหมกูนี่หลักฐานเนนะี่ยนี้นีนักุชาการที่บอกฉันี่นคือหลักฐาน แล้วถ้ามีใครบังอาจกล้าถามเรื่องหลักฐานเนี่นโดนโดนเนี่ ย, ยมีผู้รู้ที่อีบเนี่ที่ผมเคยเจอนอะโดนด่าเล็กเลยลูกศิษย์ใครที่กล้ากล้าที่จะถามเรื่องเรื่องเรื่องหลักฐานนี่มันเป็นยังไงหรืออะไรไงนงโดนเละเลสอนชาวบ้านเนี่ยตะคลีดอามาเรียกว่าเหนรียนแบบแบบตะบดโูฟีตอริกันเนี่ยก็จะสอน ลูกศิษย์ต้องอยู่กับอาจารย์ของเขาเนี่ยคือไม่ตีติลมีดมาหา شيخ ีกัอไม่ตีใบในอ๊ดีมุกศิลีติลมีศิษย์มาหา شيخ ีกับอาจารย์ของเขานี่นะต้องเหมือนไมยิต์ระหว่างมือของคนที่กําลังอาบน้าไมยตคนที่กำลังอาบน้าไมยตนี่คือคนเป็นเนี่ยและไมยต์นี่เป็นยังไงอย่าว่า คือคนที่จะอาบน้ามายิ้นเนี่ยเขาเอายกมือมายิน้นยังยกมือได้ไงมายิ้นนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยคนที่อาบน้าเขาจะการทั้งหมดทุกอย่างแล้วมายิ่ทำอะไรมายิ้ไม่ต้องทำอะไรเมอบตัวแบบอ่านเนี่ยนะสุฟิตริกรัดเขาสอนแบบนี้แลก็มีมโนนาตริกัดเขาเป็นผู้รู้ด้วยเค้าเล่าเรื่อง อาจารย์ของเขาเนี่ยเขาบอกก็เป็นซูฟีอะนะแล้วก็ลูกศิษย์นะี่เรียนกับอาจารย์จนลูกศิษย์เนี่ยจบับผิดว่าอาจารย์เนี่ยไปแอบทำศีลนาแล้วก็อาจารย์เนี่ยรู้ว่ า, าลูกศิษย์เนี่ยรู้รู้ว่าลูกศิษย์นี่นะรู้ว่าอาจารย์เนี่ไนยไปทำศิลนาก็เลยไปถามลูกศิษย์ เองรู้เองรู้บ้างนี้ว่ายังไ ง, งขเข า, าก็รู้ครับอ้าวแล้วก็ว่าอย่างไงยังจะมาจะมาเรียนกับฉันนะยังจะมาเขาเล่านะเขาบอกว่าลูกศิษย์นีก่ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัตรริตามท่านในฐานะเป็นนบีแต่ปฏิบัตรริตามท่านในฐานะเป็นวะลีแต่เป็นวะลีนี่ไม่ใช่นบีนบีมัสวซุมเนี่ยนบีนี่ไม่ทําปิดเลย แต่วลีเนี่ยวลีเนี่ยทำผิดได้คณจีนาทำผิดได้ไม่เป็นวลีนี่ก็หมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าท่านเป็นวลีก็เป็นมนุษย์ทั่วไป ก, ก็หมายถึงว่ายังอาจารย์ยังทําจีน่าแล้วก็ลูกศิษย์ก็ยังตามต้องการสอนอะไรต้องการสอนว่าลูกศิษย์เนี่ยจะมองอาจารย์นี่ก็ต้องเป็นสุดยอดสุดยอดของคนที่ต้องปฏิบัติตามจะเตือนเตือนอาจารย์ก็ไม่ได้ ไม่ต้องเตือนอาจารย์พิจารณาตัวเองว่าจะได้อะไรจากอาจารย์ที่ทำความชั่วแบบนี้เนี่ยก็พิจารณาไม่ได้ต้องตามอย่างเดียวนี่สอนแบบนี้นี่นะนูรของกุรตาเนี่ยมันก็ไม่มีในในองค์กรที่ถ่ายทอดความรู้ของศาสนาพอแท้จริงแล้วสี่ร้อยปีเนี่ย ตลอด400ปีที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับและที่ทำใหกก้จักรวรรดิยุ่งสามารถยึดครองโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่ากุศลและอะดีสนี่มันหายไปจากองค์กรสอนศาสนาเพราะพอเราไม่ได้สอนศาสนาที่มาจากบีนัทศาสนาที่มาจากตัวบทแต่เราสอนศาสนาที่มาจากทาัศนะภาษาและสอนให้คนในยึดยึดมันม่นยึดปฏิบัติตาม มาแับเป็นไปได้ไงคนที่เป็นมุสลิมทั้งทีนะเฮ้ยที่มสัสยิดที่นี่นี่เป็นชาวอีนะอย่านนะมีที่ไหนมัสยิดอะไรเป็นชาวอีรุ่งเรียนเป็นชาวอีะนะมันจะภูมิใจขนาดไหนสาหรับมุสลิมี่บอกโอ้ที่นี่เนี่ยเขาเอาตามบบีนะมันอยู่ในคำสั่งสอนไงที่นี่เราเอาตาม หลักฐานที่ชัดแจ้งที่อุลามะอธิบายก็ได้อุลามะเนี่ยเราทิ้งไม่ได้หรอกแต่เบื้องหลังของอุลามะต้องมีอัลเบียแนตรุ่นสำรับรุ่นก่อนเนี่ยที่เขาที่เขาสามารถสร้างประชาชาติที่มีอารยธรรมเนี่ยเพราะอะไรเขาถ่ายทอดเบียแนตไงถ่ายทอดความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ราซูลรัสมีที่แสงสว่างเนี่ย มันก็ยังเนี่ยมาจากนบีจากสฮบานเนี่ยถึงแม้ว่ามันมันก็จะเริ่มหายไปจางไปทีไรนิดแต่มันก็ยังมีต่อเมื่อเขายังยึดอยู่ในใบีนัดเนี่ยแต่พ่าไม่มีแล้วสอนกุอานจะได้เป็นบาระฆะอย่างเดียวสอนหะดีสเนีจะได้เป็นบาระฆะก่อนนันในเวลาเขาไปขอละห ม, มาดขอฝนเนี่ยพาไซบุคารีไปด้วยเอาไซบุคารีนี่ไปอ่านจะได้ขอฝนเพราะว่าบุคฮารีนี่เป็นอุลมามะที่มีบาระฆะ แต่เนื้อหาในหนังสืสอไซบุคารีนี่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติตามมัสฮับอเขาก็เขาราก็สอนศาสนานี่สอนอ่านน้ำละหมานี่เขาสอนอ่านน้ำละหมานตามมัสฮับทั้งดั้งดีไซบุคฮารีเขาก็อ่านนะเขาอ่านไซบุคารีเอ่านไซบุคารีว่าตะมุมนบีตะยมุมเนี่ย <c oughs> ทุบดินเนี่ยครั้งเดียวเช็ดครั้งเดียวแลว้วก็เช็ดหน้าครั้งเดียวแตนน่นาไซบุคฮารีเนี่ยไม่ต้องทุบาสามครั้งไซบุคารีไม่มีสาครั้ง รูปสามครั้งแล้วก็เช็ดเช็ดมือนี่ถึงแขนนี่ถึงแต่ยมุมมันนะฟาร์โดอินใครเรียนน่ะอฟาร์โดอีนแต่ยามุมมันน่ะถึงแขนน่ะมาชพอเราสอนนี่ตามบุคอรีเนีน่บางคนบางนงงตามอ่ะอไรแต่ยมุมมจากไหนเนี่ยไม่ได้เรียนเลยเนี่ยฟาร์โอีนเขาเรียนี่ต้องเช็ดอย่างงี้นี่นี่้นี่เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีสายราย ง, งานตา่อแต่ที่ว่ามันมีในบุคอรีและถามว่าแล้วเาอ่านบุคคีเขาอ่านบุคครีแต่อ่านอขอฝน หรืออ่านจะได้มีอิจ aza อ๋ออิจ aza แต่บุคครีแต่ปฏิบัติตามไหมชาระตามไหมไม่มีแล้วใบีแนทเนี่ยหลักฐานชัดแจ้งนี่มันยังไงอ่ะมันถูกปฏิบัติมันถูกถ่ายทอดไหมละ่ละถ้าเวลาสังคมหลงนี่ก็จะไปจะไปต่อว่าตัวบทหลักฐานยังไงถ้าสังคมหลงอันที่สุดเนี่ย เราได้เห็นความมุมงายมันเกิดขึ้นในสังคมีนบ้านเรานะี่ยังมีนะคนที่ตวา่าตวาฟรอบผูเข้าทองมาลิตโตตะเกียที่ยังมีเชิดกุฎบานไปถวายเชิดกุฎบานมันยังมีนะมาลิตโตวลีเนยทั่วประเทศเนี่ยโตวารีคนนู้นโตวารีคนนั้นก็มีอ่านประสันดีถึงเวลาวันฉลองวัน วนเกิดวันนี้อ่านบรรยจนีและเงืมีเหมือนจัดเมลิดเลยความงมงายนี่มันเกิดจากมันเกิด็มันเกิดจากความบกคร่องของผู้รู้ในการถ่ายทอดดีนั่นแล้วคนที่หวงแหนอ่านุตอ่านตักคุตอ่านจริงๆกันก็จะรู้สึกเจ็บใจไงใช่ใช่กุตอ่านเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยตามความสมควรของคุตอ่านไหม เรืุ่ณอานอนี่มัอยู่ในเล่มทุกมั ส, สิมีเล่มคุณอ่านเนียเยอะแยะในโรงเรียนหาเป็นโรงเรียนกุณอ่านก็เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยแต่กุณอ่านนี่มันอยู่ในสังคมตามความสมควรไหมไม่มีเวลาเราประกวดกุณอ่านเนี่ยประกวดเรื่องละกูไม่ได้ประกวดเรื่องละูเนี่มายถึงมาทำนองไม่ได้ประกวดเรื่องความหมายแสดงว่าเราไม่เราไม่เน้น คือบายีนาดนมาแบบนันชัดแจ้งชัดแจ้งเรื่องอะไรอะอักขระเหรออีดีนสซิรอลมุสตาีบโอ้ชัดเจนไม่ใช่อันนี้แล้วก็ต้องไปตามกอรีดกอรีต้องหากอรีที่อักขระหน้าคือต้องต้องมักครดต้องเหมือนอาระต้องเหมือนอันัชัดเจนนะไม่ใช่อันนี้นะอิหม่ามอบนุลเจ و ีในหนังสือเตลบิสอิบลีสบอกว่า อิบลีสนี่หลอกลวงชาวบ้านเนี่ยให้เน้นเรื่องอักษระอ่านกุราอิรนโยซีเนี่ยเสียชีวิตในศตรวรรษที่หฮิจร้อนนะเขาบอกว่าถึงขนาดที่ในยุค น, น, นั้นนะถึงขนาดที่บางคนเนี่ยถูกรลอกให้อ่านริลมักดูบีตัวดอดเนี่ยมันเป็นอักษรที่ออกอยากที่สุดถึงขนาดที่ออกมักดูบีต้องถมน้ำลายนี่ยออกไปด้วยตอนอ่านนะ ทุกลังออกมันหมกบุบีต้องมีน้ำลายออกด้วยแต่เนื้อหาในเรียนมกบีนี่ผมก็เจอมีอาจารย์บางคนเนี่ยรกบีอาทิตย์หนึ่งกว่าจะให้ผ่านอาทิตย์หนึ่งกว่าจะให้ผ่านอันไม่ใช่นี่นบีไม่ได้มาให้ชัดแจ้งไม่ใช่ตรงนี้อาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งไม่ให้ผ่านแต่พอลูกศิษย์นี่ออกไปนี่ไปกินแมกโดน่าไปกินเคฟนีนไม่ว่าอะไรเลยเอาแสดงว่าเนี่ยฮะของเข า, ามักดูเขายังยังไม่ชัดแจ้งไงยังไม่ชัดนะยังไม่เข้าใจว่ามักดูเป็นนี่คือใครอนะ่ะแต่เข้าใจว่ามักดูเปต้องอ่านตัวบอสนี่ให้มันชัดเจนนะนะแล้วเราเข้าใจว่าถ้าแบบนี้เนะี่ยนั้นเนะ่ยแสดงว่าเรายึดมั่นในกุตตานอย่างชัดเจนสังเกตไหมเราจะชอบละหมาดตามคนที่อ่าน ชัดเจนละกูชัดเจนทำซับทนองชัดเจนใช่ไหมใช่ไหมแต่เราไม่ดีแน่นวแนเออแล้วก็คนที่เป็นอิหมามเนี่ยเขาประวัติของเขาอะไรของเขาเนี่ยเป็นยังไงเราไม่คคยเน้นเรื่องนี้ครับก็ฝากเป็นแค่นี้นะครับตอนแรกนี่ว่าจะเอาสักสองสามอายอะแต่มาเรื่องประวัตินี่มันก็เลยยาวนานไปหน่อยนะครับพี่น้องมีคาถามไหม อ๋อฟาดิฮานี่นะฟาิฮานเป็นสูราที่อัลลอ์ให้อ่านทุกเวลาละหมาดไงก็เหมือนในเวลาละหมาดเนี่ยเท่ากับเราทำสัตยยบันแบียะกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเราต้องการข้อชี้แนะจากพระองค์ให้เราอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงไม่ใช่แนวทางคนที่ถูกกลิ้วคนที่หลงผิดมีอันนี้นบวีอธิบายไว้แล้วชัดเจนไม่ต้องมีเพราะ ไม่ต้องมีนักอธิบายเพราะนักอธิบายทุกคนนี่นะเขาก็เอาหระนิสสุท่านนบีเนี่ยมาอธิบายอเลียหูดมักดูบุนาอะไรคนที่ถูกเรวนี่งพวกยิวดคนนศรดุลแลลคนที่หลงนี่ก็คือนศรแส่หมว่าอายันี่ถูกอธิบายด้วยตัวท่านนบีสุลต่าละฮะอเลสาและในหมายรวมว่าแนวทางของเขาเนี่ยที่ขัดกับคําสั่งสอนของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าทุกสิ่งที่ เยโฮ ւ ดนอโรอเขาทำเนี av, ่ยนอโเราแต่ว่าสมมตนอโซเราเขาเรื่องดีและเรื่องดีเนี่ยมันสอดคล้องกับคําสั่งในคุณอ่านนี่นไม่มีปัญหาแต่นี่หมายร่วมว่าแนวทางของยโฮ ւ ดและนอโรอที่มันไม่ดีที่ศาสนาห้ามที่มีข้อห้ามอยู่แล้วอันนี้เนี่ยอย่าให้เราได้อยู่ในแนวทางของของคนเหล่านั้นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นความสํานึกถ้าเราอ่านฟาดีฮาทุกวันเนี่ยไม่รู้กี่รอบ เจ้กับเราบญ่อเรทุกครั้งทุกครั้งเหมือนที่เราตอนเด็กๆนี่สเตบันกับพ่อแม่นี่ยวลาไปโรงเรียนเฮ้ยอย่าไปซื้อลูกชิ้นหมูนะอย่าไปซื้อนู่นนี่ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเขารู้ว่าใกล้โรงเรียนนี่ยจะมีเนี่ยลูกชิ้นหมูพ่อแม่ก็จะเตือนเตือนเตือนทุกวันนี่นมันอยู่ในดิเอเอเลยอะ มุสลิมเรื่องเรื่องเรื่องสุกรอยู่ในดีเนเนี่ยสอนทุกวันทุกวันทุกวันอนี้ฟาดิฮานีา่ผมรักษาสอนทุกวันแต่ทําไมตามยิวตามเราสอกันก็แสดงว่าเราเราเราไม่ได้ซึมซับในเนื้อหาเไยในความชัดเจ น, นนั่นตัวเดียวละตัวเดียวแหะที่เราสามารถอ้างได้ว่าเฮ้ยทาไมอ่านฟาดีฮากันทุกวันแต่แต่ทำไมพฤติกรรมของของมุสลิมส่วนมากเนี่ยมันไม่สอดคล้อง เราบันทยกหรือว่าทิ่เช็คอธิบายมาครับแล้วกลุ่มรอบข้างในขนาดนั้นนะครับทำไมอเล็กถึงไม่ได้ย่งมาด้วยเพราะเพราะเพราะอันนี้อเล็กกำลังพูดถึงพวกมุนาฟิกที่อยู่ที่มา ด, ดินาไงซึ่งเป็นชาวอาหรับนี่สังเกตมานี่มา ด, ดินะอยู่ตรงนี้ไงเมืองเหล่านี้เนี่ยมันก็ล้อมมันก็ล้อมมา ด, ดีนะซึ่งชาวอาหรับที่อยู่มากรมา ด, ดินาเนี่นะเขาจะเดินทางไปยีเมน ไปทำธุรกิจที่ย e แล้วก็เดินทางไปเมืองชามในราชิตาอิวอย์ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยเขาจะเดินทางไปยีเมนแล้วก็ไปเมืองชามในยีเมนเนี่ยก็ต้องเจอก็ต้องเจอกลุ่มพื้นที่ของกลุ่มชนอาร์ตอนไปเนี่ยก็ต้องเจออัลบาฮัลเมดเดดซีนะที่ ประวาสร์สาเาบอกว่าเนี่ยเป็นแหล่งของพวกสะดูมใชะะ่ไหมแล้วก็มาได้อินซอยแลนในเมืองของกลุ่มชนนบีซอแลนเนี่ยเราจึงบอกว่าว่าอินนกุมละตะมุรุนะอเลห์มุสบิบิลลพวกเจ้านี่ก็เดินผ่านผ่านกลุ่มชนเหล่านี้ทั้งกลางวันและกลางคืนอาฟัลาตากิลุนไม่มีสติปัญญาที่จะคิดกันนั้นหรือก็หมายถึงว่าก็เจอเนี่ยไม่ได้เจอตัวตนของกลุ่มชนนะแต่เจออะไรอ่ะ อาซากของเมืองเขาอ่ะที่มันยังหลงเหลืออยู่ที่มันชี้ว่าโอ้โหโคตรก่อนนู้นเขายิ่งใหญ่กว่าเรานะก็า้องไปดูบ้านที่มันกล้ามาที่นันเนี่ยว่สู้นั้นไม่ได้นั่นไปสลักในภูเขาเลยอ่ะเขาเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนมีรายงานว่าตะก่อนนูน้นใอาหรับเขาเชื่อว่ากลุ่มชนนบีสมุกลุ่มชนสมุติเนี่ยพวกอาลมาเลก็พวกยักษ์พอเคตรสลักในภูเขาใครจะทําได้ในภูเขาอ่ะเขาก็เชื่อว่าตะก่อนนู้นเขายักษ์เขา แล้วก็เขาเป็นแบบนี้แล้วก็เหลืออะไรอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วเขารู้เนะี่ยว่าเขาถูกลงโทษเไงอัลลอฮฺก็เลยเอากลุ่มชนที่อาับเขารู้จักกันคุ้นเคยกันแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาไล่มาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยเขารู้จักกันแล้วไม่ต้องไปอธิบายหรือไม่ต้องมายืนยันไม่เท่ากับเจ้าอะไรที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยปรากฏมันจะยากหน่อยแต่นี่เขาเห็นซึ่ง เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จจะประสงค์ว่าเรื่องนี้ทุกวันนี้นั่นก็ยังมีก็ ge, ยังสามารถเห็นได้ยังสามารถดูได้ ไ, ไ, ดไงก็เป็นยังไงแม้ว่าท่านนบีบอกว่าถ้าถ้าได้เจอเนี่ยก็ให้รีบให้รีบเร่งนะอย ay, ่าเอะเอะได้ชักช้านะอยา่าได้เดินชักเพราะมันเป็นเป็นพื้นที่เดียวเราลงทูตลงอาสาบแต่เดี๋ยวนี้ในการเป็นสถานท่องเที่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วจัดคอนเสิร์ตกันเต้นกันทั้งคืนแล้วเนี่ยเรียบร้อยมันเป็นพื้นที่ที่อาหรับเขารู้กันอัลลอฮ์ก็ เ, เยลยเอาเรืร่องทีเ่เขาเขาคุน้นกันนะ รู้รู้เรื่องราวอยู่แล้วแต่ ว, ว่าเพียงกองที่คนนั้นเนี่ยจะศึกษากุรอานจากความหมายหรือว่าการอนตักซีลในตาราต่างๆมันคือมันแล้วแต่ระดับความรู้ที่เราต้องใช้ประยุกต์เราต้องใช้อัลกุราอานจะได้เข้าใจและปฏิบัติอย่างเดียว่นะก็ไม่ต้องศึกษาแบบอะไรมากมายไม่ต้องลึกซึ้งไม่ต้องหลายตักซีลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราต้องการที่จะลึกซึ้งอยากจะได้อุตสาหนมากกว่านี้เราอยากจะ สอนตัวเราแล้วก็สอนคนอื่นด้วยอันนี้ก็ต้องขยายหน่อยอุลามาส่วนมา ก, กนะก็บอกว่าคนที่จะเรียนรู้เรียนรู้เรืร่องราวของศาสนานมิุสอัลบาเภทเท่านั้นนะคนนี้มุมตารุคนนี้ศึกษาอัลลาสบิลินนะจเพื่อแสวงหาแนวทางเอาตัวรอดในแนวทางตัวรอดรนี้ไม่ต้องเป็นอัลลิม แต่ศึกษาจะได้ปฏิบัติศึกษาจะได้ไม่ไม่ถูกลงโทษอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องลึกซึ้งไม่ต้องกว้างขวางไม่ต้องละเอียดอ่อนมากพอที่จะปฏิบัติได้อะไรที่ขาดอันนี้ต้องเรียนยังไงก็ต้องเรียนอะไรที่เป็นหน้าที่เป็นวา ج ิแล้วนะต้องเรียนอันเนี้ยที่ฝรดุอินเนรดุไหนเนี้ยอะไรที่มันเป็น و ا ิบที่เราต้องปฏิบัติน่ะต้องศึกษาไม่ศึกษาไม่ได้บาปแต่อะไรที่ไม่วาจิบต้องปฏิบัติ ก็ยังไม่ต้องศึกษาประเภทที่สองเรียนรู้เพื่อจะได้เอาประโยชน์ความรู้นี่ไปมอบให้คนอื่นด้วยอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ต้องละเอียดพราะจะจะเอาแบบห ย, ยาบๆเนี่ยแบบปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งเขาจะได้สามารถมอบให้คนอื่นด้วยก็ดูว่าเราเราอยู่ในประเภทไหนแล้วก็เลือกแนวทางทาง แต่ระหว่างสองแนวนี้ก็อาจจะมีนะมันมันจะเป็นสองแนวที่ห่างไกลกันแต่แต่บางคนก็อาจจะเหนือกว่าเหนือกว่าคนที่เพราะว่าเอาตัวรอดแล้วบางคนก็อาจจะตำกว่าผู้รู้ระดับละเอียดหน่อยก็ได้อยู่ระหว่าแต่อยู่ระหว่างสองสองสองกลุ่มเนี่ยนะ